สามอุปนิสสูตรว่าด้วยธรรมที่อาศัยกันยี่สิบสามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราเมื่อรู้เห็นจึงกล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอสวะรทั้งหลายเราเมื่อไม่รู้เห็นจึงไม่กล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอะไร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 เราเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลความสิ้นไปแห่งอัสวัต ท, ทั้งหลายจึงมีเมื่อธรรมเป็นที่สิ้นไปมีอยู่ขยายานคือยานในธรรมเป็นที่สิ้นไปแม้ใดย่อมมีเรากราวว่าขยายานแม้นั้นมีที่อาศัยมีได้กราวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งขยายาน สิ่งเหล่านั้นควรเรียกว่าวิมุตต์เรากล่าวว่าแม้วิมุตตก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งวิมุตตสิ่งนั้นควรเรียกว่าวิราคะเรากล่าวว่าแม้วิราคะก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าที่เป็นที่อาศัยแห่งวิราคะ สิ่งนั้นควรเรียกว่านิพพิธาเรากล่าวว่าแม้ทิพพิธาก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าที่เป็นที่อาศัยแห่งนิพพิทาสิ่งนั้นควรเรียกว่ายัตถาภูตยานทัศนะเรากล่าวว่าแม้ยัตถาภูตยานทัศนะก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งยถาภูตยานทัศนะสิ่งนั้นควรเรียกว่าสมาธิเรากล่าวว่าแม้สมาธิก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสมาธิสิ่งนั้นควรเรียกว่าสุขเรากล่าวว่าแม้สุขก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสุข สิ่งนั้นควรเรียกว่าปัสสัตทิเรากล่าว e um. ว่าแม้ปัสสัตทิก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปัสสัทิสิ่งนั้นควรเรียกว่าปีติเรากล่าวว่าแม้ปีติก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปีติสิ่งนั้นควรเรียกว่าปราโมท เรากล่าวว่า แ, แม้ปราโมทก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าที่เป็นที่อาศัยแห่งปราโมทสิ่งนั้นควรเรียกว่าศรัทธาเรากล um e, ่าวว่าแม้ว well ่าศรัทธาก็ม <m ock y cannabis> ีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งศรัทธาสิ่งนั้นควรเรียกว่าทุกข์ เรากล่าวว่าแม้ท for ุกก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งทุกสิ่งนั้นควรเรียกว่าชาติเรากล่าวว่าแม้ชาติก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งชาติสิ่งนั้นควรเรียกว่าภพเรากล่าวว่าแม้ภพก็มีที่อาศัย มิได้กล no ่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นท <ules> nice e ี่อาศัยแห่งภพสิ assim, ่งนั้นควรเรียกว่าอุปทานเรากล่าวว่าแม่อุปทานก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งอุปทานสิ่งนั้นควรเรียกว่าตัญหาเรากล่าวว่าแม้ตัญหาก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งตัญหาสิ่งนั้นควรเรียกว่าเวทนาสิ่งนั้นควรเรียกว่าผัสสะสิ่งนั้นควรเรียกว่าสลายตนะสิ่งนั้นควรเรียกว่านามรูปสิ่งนั้นควรเรียกว่าวิญญาณสิ่งนั้นควรเรียกว่าสังขารทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สังขารทั้งหลายก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย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 เวทนามีผรสษะเป็นที่อาศัยตัณหามีเวทนาเป็นที่อาศัยอุปทานมีตัณหาเป็นที่อาศัยภพมีอุปทานเป็นที่อาศัยชาติมีภพเป็นที่อาศัยทุกข์มีชาติเป็นที่อาศัยสัทธามีทุกข์เป็นที่อาศัยประโมทมีศัทธาเป็นที่อาศัยปีติประโมทเป็นที่อาศัยปัจจัธิมีปีติ เป็นที่อาศัยสุขมีปสัสสติเป็นที่อาศัยสมาธิมีสุขเป็นที่อาศัยยะถาภูตยานทัศน์มีสมาธิเป็นที่อาศัยนิพพิธามียะถาภูตยานทัศน์เป็นที่อาศัยวิราคะมีนิพพิธาเป็นที่อาศัยวิมุติมีวิราคะเป็นที่อาศัยขยัยานมีวิมุติเป็นที่อาศัย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 ปัจสทธิมีปิติเป็นที่อาศัยสุขมีปัจสทานเป็นที่อาศัยสมาธิมีสุขเป็นที่อาศัยยัถาภูตยานทัศนะมีสมาธิเป็นที่อาศัยนิพพิธามียัถาภูตยานทัศนะเป็นที่อาศัยวิราคะมีนิพพิธ า, า, า, าเป็นที่อาศัยวิมุตมีวิราคะเป็นที่อาศัยขยัยานมีวิมุตเป็นที่อาศัย ฉะนั้นเหมือนกันอุปนิสัตธสูตรที่สามจบ